ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลมาละกายกระทำบาปทั้งปวงมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสมสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วและได้นำเอาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สวัโลกอย่างพวกเรา ที่ยังติดอยู่ในวัฏสงสารวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ใดมีสตาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสารก็จะเป็นผู้ที่สามารถนำตนเองให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นได้วิธีที่จะทำให้ผู้ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเรานี้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือวิธีศึกษา ให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นใครท่านกระทำอะไรอย่างไรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรและศึกษาชีวประวัติของพระอาลหันตาสาวกทั้งหลายว่าท่านดาเนินชีวิตของท่านปฏิบัติชีวิตของท่านอย่างไร จึงทำให้ท่านได้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องกระทำกันในเบื้องต้นทาความรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อรู้จักแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตัวเราชีวิตของเราให้ได้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้รู้จักตัวอย่างอันดีงามที่เราสามารถยึดเอามาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงต้องศึกษา ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครพระพุทธเจ้าท่านก็เป็น พระราชโอรสของกษัตริย์ประสูตรในประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วขณะที่ทรงมีอายุอย่างไม่มากพระราชบิดาก็พยายามให้พระราชโอรสนั้นอยู่อย่างมีความสุขทุกรูปแบบไม่อยากให้พระราชโอรส ได้ไปเห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกนี้แต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงเสด็จลักรอบออกจากพระราชวังเพื่อไปเที่ยวดูว่านอกกำแพงของพระราชวังมีอะไรบ้างพ่อองค์ก็เลยได้ไปพบกับคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนตาย และได้พบกับนักบวชเห็นเทวทูตสี่ซึ่งทำให้พรอองค์นั้นมีพระทัยไม่สบายใจและยิ่งพอจะทราบจากมหาเลา็กว่าต่อไปพรอองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บและเป็นคนตายจึงทำให้พรอองค์บีความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตาย เป็นอย่างมากจนถึงต้องคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้หนีจากความแก่ความเจ็บและความตายไปได้ก็เลยทราบว่ามีนักบวชที่พยายามออกปฏิบัติธรรมกันเพื่อหาวิธีให้หลุดออกจากการเวียนว่าให้ตายเกิด เมื่อทรงทราบว่ามีวิธีมีโอกาสที่จะสามารถทำให้พระ อ, องค์นั้นไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายได้พระ อ, องค์จึงเสด็จออกจากพระราชวังหรีอออกจากราชวังไปในคืนที่ได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้ประสูติได้คลอด พระราชโอรถของพระ อ, องค์อองทรงตงหนักคิดอยู่ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะทิ้งลูกไปได้จึงต้องตัดสินใจสเสด็จออกจากพระราชวังในคืนวันนั้นเลยโดยที่ไม่กล้าไปมองดูหน้าลูกเพราะถ้าเห็นลูกแล้วก็จะเกิดความ รักความสงสารก็จึงต้องหนีไปในคืนนั้นแล้วพอออกไปแล้วก็ส่งไปบวชเป็นนักบวชถือศีลแล้วก็ศึกษาวิธีการปฏิบัติของนักบวชเพื่อที่จะค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จนในที่สุดหลังจากได้เสด็จออกจากพระราชวังไปหปีตอนที่เสด็จออกก็มีพระชนมพรรษา29พรรษาพอถึงพระชนมายุ35พรรษาก็ได้พบกับสัจธรรมความจริงได้พบกับวิธีที่จะทำให้พ่ะองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะจะทำความจริงนี้พ่อสมตัดเรียกว่าอริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการที่ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องรู้น่าจําเป็นจะต้องปฏิบัติให้ได้อริยสัจสีที่พ่อสมค้นพบก็คือหนึ่งความทุกข์ใจ สต้นเหตุของความทุกข์ใจสามการดับของความทุกข์ใจและ 4. วิธีการที่จะนําไปสู่การดับของความทุกข์ใจความทุกข์ใจพระสงฆ์ค้นพบ ว, ว่าเกิดจากความอยากต่างๆและความอยากต่างๆนี้เป็นตัวที่ทําให้ไปเวียนว่ายตายเกิด และการที่จะหยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องสร้างวิธีการลากความอยากต่างๆวิธีที่จะลากความอยากได้ในพระองค์ทรงพบว่าเกิดจากการละบาปเกิดจากการสร้างกุศลให้ถึงพรและเกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือวิธีการที่จะทำให้สามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอพระ อ, องค์ได้ทรงปฏิบัติตามที่ทรงได้ค้นพบความจริงดีพระ อ, องค์ก็สามารถตัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เมื่อหมดแล้ว ใจของพระ อ, องค์ก็สะอาดบริสุทธิ์ได้ตัดสร้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาคาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สามารถค้นพบทางสู่การดับของการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองอด้วยการพบกับธรรมอนะเสิด ที่เรียกว่าอริยสัจสีเป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบพระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเป็นคนบอกเช่นพระอาลันตสาวกทั้งหลายที่ได้พบกับพระอริยสัจสี ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะว่าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติสร้างวิธีการละความอยากต่างๆก็คือละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ก็สามารถชำระใจของตอนเองให้บริสุทธิ์ได้จึงเรียกว่าเป็นอรหรันตสาวกคคำว่าอารหันต์แปลว่าผู้ที่ได้ชำระใจให้สะอาดบมจดปราศจาก ความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆแล้วและสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาแปลว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายกายเกิดด้วยการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจนะ้าพระอาหารหันต์จึงมีสองแบบพระอาหารหันตสาวก กับพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชำระพระทัยของพระองค์ได้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาวิธีด้วยพระองค์เองแต่พระอรหันตสาวกนี้ไม่มีความสามารถ พอที่จะค้นคว้าได้ด้วยตนเองจึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนพอมีพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือ พระอรหันตสาวกต่างจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาแต่รับยุคแต่ละสมัยนี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งรูปแต่จะมีพระอรหันตสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนรูปด้วยกันเพราะว่าการเป็นสาวกนี่ง่ายกว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปหา พระอริยสัจสีเองมีคนเขียนแผนที่บอกให้ไปแล้วนี่คือพระคุอันกระเสริดของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีพระอารันตสาวกไม่ว่าจะมีกี่หมื่นกี่แสนรูปด้วยกันก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุป ก, ก่อน นี่คือพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละพระราชสมบัติสละครอบครัวที่ทรงรักทรงห่วงทรงห่วงเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าที่ยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็ทรงมีพระเมตตากรุณา นำเอาคำสั่งเอาความรู้คือพระอริยสัจสีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทำให้ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสามารถหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายมีจำนวนเป็นจานวนมากๆเป็นหมื่นเป็นแสนถ้านับตั้งแต่วันแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศภาษาศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วก็มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาตามลำดับเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงจากไปแล้วก็เป็นพระอาหารหันตสาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ สั่งสอนผู้แทนพระพุทธเจ้าต่อไปตราบใดที่ยังมีการมีพระอาหารหันต์มาสั่งสอนและมีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้พระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆแต่เวลาใดถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาเผยแผ่สั่งสอน ไม่มีผู้ที่จะสนใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมหมดไปในที่สุด น, น, นี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่จะทาให้ ผู้ที่เข้าพึ่งนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะไม่มีการทุกข์ต่างๆจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาอีกต่อไปดังนั้นผู้ใดที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันเลิศอันประเสริญนี้ให้หลุดมือไปเพราะ เป็นเหมือนกับได้เพชรนินจินดาที่เป็นสิ่งที่หายากอย่างยิ่งแต่มีค่ากว่าเพชรนินจินดาเพราะว่าเพชรนินจินดานี้ไม่สามารถทำให้สัตว์โลกนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกได้ ถ้าให้มีเพชรกรองเป็นภูเขาก็ยังจะต้องมีความทุกข์ใจอยู่เสมอแต่ถ้ามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วจะสามารถที่จะดับผ่านทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราผู้ที่ปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จำเป็นที่จะต้องน้อมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่ใจของเราให้ได้วิธีที่จะน้อมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนอยู่สามข้อคือละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เข้ามาสู่ใจของเราได้ก็ต้อง น้อมเข้ามาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติก็คือละการกระทาบาปทั้งปวงเช่นการรักษาศีลหา้าการละอบายามุขต่างๆเรียกว่าเป็นการละการกระทาบาปทั้งปวงถ้าอยากจะละการกระทําบาปก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่ากรณีใดก็ตามไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายามเมาไม่เที่ยวเตรยามค่ำคืนไม่เที่ยวดูมหรัรสพบันเทิงต่างๆไม่เล่นการพนันไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรและไม่มีความเกลียดคราง น, นี่คือสิ่งที่จะต้องรักถ้าอยากจะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องยังกุศลให้ถึงพร้อมคือให้ทำความดีต่างๆเท่าที่เราสามารถจะทำได้เช่นวันนี้เรามาทำบุญทำทานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำความดีต่างๆเมื่อทำบุญแล้วเราก็สามารถอุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้ว ผู้ที่มีพระคุณเช่นบิดามารดาปุยยาตายายกูบ า, าจายท่านเหล่านี้อาจจะตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนเราสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้ด้วยการกวนน้าอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปนี่ก็คือการกัยนกุศลให้ถึงพรอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศล แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปพอที่จะรับใช้เขาได้เพื่อให้เขาได้สบายขึ้นก็ควรจะกระทำเช่นเวลาเห็นคนแก่คนชราเห็นเด็กเล็กเดินข้ามถนน ถ้าเราช่วยเขาให้เดินข้ามถนมนได้อย่างปลอดภัยก็เรียกว่าเราได้อย่างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วนอกการการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองด้วยช่วยเหลือตัวเราเองด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้รู้จักวิธีดําเนินชีวิตของเรา ให้อยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี่คือตัวอย่างของการสร้างกุศลและอีกอย่างก็คือการมีความกตัญญูกะตะเวทีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลให้ถึงพอเราต้องระลึกถึงคุณของวิดามัรดาปุยาตายาครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลายอยู่เสมอเพราะถ้าเราไม่มันล้ำลึกเดี๋ยวเราจะลืมได้แ่าลายเราจะกลายเป็นคนเนรคุณไปคือคนอักตันอยู่ไปคือคนลืมบุญคุณของผู้อื่นแต่ถ้าเราหมันล้ำนึกอยู่เรื่อยๆทุกวันเตินขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ของครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมและเราจะได้ตอบแทนบุญคุณเวลาที่เราสามารถที่จะตอบแทนได้เช่นในช่วงปีใหม่นี้เราก็ควรที่จะไปเยี่ยมเยียนบิดามารดาผู้ยะตายายผู้ที่มีพระคุณต่างๆน้อมเอานำเอาสิ่งต่างๆไปฝากกัน เอาเข้าวของเอาเงินเอทองไปแบ่งไปไปช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมการทำบุญนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำที่วัดเพียงแห่งเดียวการทำบุญนี้ทำกับทุกแห่งทุกคนไดน้ทำที่บ้านกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำที่โรงพยาบาลทำที่โรงเรียน ทำที่สาสาธารนณะกุศลต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทําบุญทําความดีทํากุศลให้ถึงพอนี่คือข้อที่สองข้อที่สาก็ให้หมั่นชำระใจให้สะอาดใจไม่สะอาดเพราะความโลภความโกรธความหลงเพราะความอยากต่างๆเราต้องพยายามหยุดความโลภความโกรธความหลง หยุดความอยากต่างๆด้วยการใช้เหตุผลเวลาเกิดความโลภอยากได้อะไรถามตัวเราก่อนว่าจำเป็นต้องซื้อมาหรือไม่ถ้าไม่ซื้อมาเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ซื้อมาแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าซื้อมาดีกว่าเพราะถ้าซื้อมาก็เป็นการ เพิ่มความอยากเพิ่มความโลภให้มีมากขึ้นภายในใจแทนที่จะทำให้มันลดน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ทำตามความโลภไม่ทำตามความอยากต่อไปความโลภความอยากจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความโลภตามความอยากต่อไปความโลภมันจะหมดไป นี่คือวิธีชำระความโลภความอยากต่างๆต้องใช้เหตุผลถ้าสิ่งไหนมีความจำเป็นถ้าไม่มีแล้วเราจะตายอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความโลภเช่นถึงเวลารับประทานอาหารถ้าไม่รับประทานอาหารก็จะตายได้อย่างนี้ก็ต้องรับประทานอาหารแต่ต้องรับประทานพอประมาณ ถ้ารับประทานมากกว่าความต้องการของร่างกายก็เรียกว่าเป็นความโลภเหมือนกันเรียกว่าเป็นความอยากเหมือนกันเราจึงต้องรับประทานพออิ่มพอร่างกายรู้สึกว่าอิ่มแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ดื่มนะ้ำเข้าไปแทนถ้ายังรับประทานพราชอบเพออยากอ ย, กอยู่อย่างนี้จะเป็นการสร้างความอยากขึ้นมาไม่ได้เป็นการตัดความอยาก เป็นการสร้างความไม่สะอาดของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เป็นวิการชำระใจให้สะอาดนี่คือวิธีที่เราจะต้องหัดพยายามทำกันให้ได้อย่าทำอะไรด้วยความโลภด้วยความอยากให้ทำด้วยเหตุด้วยผลน่ามีความจำเป็นมีเหตุที่จะต้องทำค่อยทำไปถ้าไม่ทำไม่มีเหตุอย่าไปทำ เช่นปีใหม่นี้ต้องออกไปกินเหล้าเมายาเลี้ยงฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำแล้วจะตายหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำแล้วไม่ตายก็ไม่ต้องไปให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพอดหลับอดนอนอยู่บ้านกินข้าวเย็นเสร็จ ไหายพระสวนมนนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นอนดีกว่านอนแต่หัวค่ำจะได้ตื่นแต่เช้าต้อนรับปีใหม่ด้วยร่างกายและจิตใจที่สดใสสดชื่นเบิกบานดีกว่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอาการเมินเมาปวดศีรษะและกว่าจะต้อนรับปีใหม่ก็เป็นเวลาบ่ายหรือเย็นเียแล้วเพราะตอนเช้าตื่นไม่ทัน นันไม่ใช่เป็นวิธีต้อนรับปีใหม่ที่ดีวิธีต้อนรับปีใหม่ที่ดีต้องรับต้องต้อนรับด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานร่างกายที่ได้พักผ่อนหลับนอนแข็งแรงพร้อมที่จะไปทําสิ่งต่างๆที่ดีที่งานในวันขึ้นปีใหม่เช่นไปกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์ ไปเยี่ยมญาสนิทมิตรสหายหรือไปทำบุญที่วัดกันนี่คือการกระทาที่จะทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ทำให้ได้ละบาปทำให้ได้สร้างกุศลให้ถึงพร้อมและทำให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ต้องทำด้วยเหตุด้วยผลอย่าทำตามอารมณ์เพราะว่าทำแล้ว มันได้ความสุขเดียวยวแต่มันจะทำให้ต้องคอยทำอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้ทำแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดเศร้าหมองไม่สบายใจแต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเราจะไม่รู้สึกเศร้าหมองเศร้าใจเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทาสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะจะนาไปสู่การสิ้นสุด ของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะมีกำลังใจที่จะละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจของพวกเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ได้นี่คือศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการปฏิบัติของเราเพื่อที่ให้เราจะได้ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเป็นที่พึ่งของเราต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาจานตสาวกทั้งหลายได้กระทำและได้สั่งสอนให้พวกเรากระทำให้พวกเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้รับประโยชน์อย่างเดียวกับ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาลันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ